1. สติมีหน้าที่รักษาจิตเราไม่มีหน้าที่รักษาวงเล็บเปิด1 8ตุลาคม25หในวงเล็บสองจุดจุดหน้าที่ส6วงเล็บปิดเราไม่มีหน้าที่รักษาจิตนะหน้าที่ของการรักษาจิตเป็นหน้าที่ของสติไม่ใช่หน้าที่ของเราทันทีที่สติเกิดสติจะรักษาจิตโดยอัตโนมัติรักษาอย่างไรถ้าจิตในขณะนั้นเป็นอกุศลอยู่ อกุศลจะดับทันทีรักษาอย่างไรอกุศลจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ในขณะที่มีสติรักษาอย่างไรทันทีที่มีสติจิตก็เกิดกุศลเรียบร้อยแล้วแล้วกุศลจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นคือสติจะเกิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นสตินั่นแหละมีหน้าที่รักษาจิตเราไม่มีหน้าที่รักษาท้าเมื่อไรเราคิดจะรักษาจิตอยากจะรู้สึกตัวตลอดเวลาเราจะไปเพ่งจิตมันจะกลายเป็นการเพ่งไม่ใช่การรักษาจิตอะไรหรอก ให้ฝึกไปจนสติเกิดแล้วสติเขารักษาของเขาเอง